ขอบเกิด 23 ธันวาคม 2531 เป็นการบันทึก 5 หน้า 2 วันนี้ เทศคมมีแล้วใกล้ไทยเหลือเกินนะและเมื่อเจ๊กมีธรรมเมตตาใกล้ไทยไทยก็คงจะมีด้วยรวมความว่าก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดแต่ก็มานั่งดูมานั่งดูลองลองไปดินประเทศไทยว่ามีตรงบ้างแต่บังเอิญบรรดาท่านพุทธบริษัทในตอนที่แล้ว ไอ้โพจน์ยืนยันว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีมีพระธรรมท้วงว่าไม่ควรจะ เป็นแผ่นบอกว่าสายแผ่นดินที่พี่น้องใหญ่ ถ้ามันพังไปทําให้คนตาย เป็นดินส่วนนั้นที่เป็นโพรงใหญ่ที่กําลังต้านทานน้ําหนักน้ําหนักใน อีกกี่ล้านปีก็ยังไม่ถล่มในเมื่อตั้งหลายล้านปีไม่ถล่มก็ไม่คนพูดคราว ท่านบอกแต่เพียงๆเป็นๆมี 3 สายแต่ความกว้าง 3 กิโลเมตร แต่ละสาย 3 กิโลเมตรแต่ที่ 3 กิโลเมตรรถแล่นกันตานอนดับ ที่ค่ําสายใหญ่มีมั้ยท่านบอกว่าเป็นเมืองใหญ่ๆจริงๆไม่ เพราะความรักน้ำหนักไม่ไหวจริงๆ ก็คือขอพูดว่าในประเทศไทยบางส่วนก็ลึกต่ํานิดหน่อยคําว่าลึกบางๆหน่อยๆก็หมาย การจริงก็ไม่เท่านี้นะไม่เห็น แต่ว่าที่เกียวไทยทานีดูแล้วว่าเขาจะประกาศว่ามีคนตาย 2 คนคนตายเพราะว่าแสนน้ําไหลเอาลูกไปส่งเอาเมียไปส่งตัวเองถูกน้ําไหลพัดไปกับ ท่านที่มีอันตรายก็แค่ต้นสายน้ำปลายสายน้ำไม่มีอันตรายก็ แต่ความจริงอย่างที่ แล้วมีใครบ้างมั้ย อย่าทําอะไรให้มันเกิดในความประมาทถ้าน้ํามาด้วยแผ่นดินถล่ม whenever we <c oughs> แต่ว่าทําอะไรให้หนักเกินปกติอย่างสร้างสร้างบ้านสร้างเมืองนี่ไม่เป็นไรพายุระเบิดไปเที่ยงบ่อยๆก็ไม่แน่หนักเหมือนกันโกรธความว่าแผ่นดินถล่มในประเทศไทยยังไม่ต้องคิด <c oughs> ก็สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีน้ําหนักสูงเกินไปจุดไหนล่ะที่เป็นห้ามถ้าจะบอกไม่ควรนักทรณีวิทยาเค้ามีในเมื่อหมดเรื่องแผ่นดินถล่มก็กลับมาดีกว่ากลับ มันไม่มีเรื่องจะพูดนี่ก็พูดกันส่งนิทานที่อย่างกลับมาที่ พูดเรื่องเวลากันถ้าตาอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสาวกสาวกแปลผู้รับฟังต้องเชื่อ ก็ต้องตอบว่าความเป็นอยู่ของคนพูดเวลานี้อาศัยคนโดยอาศัยเทวดาโดยอาศัยพระด้วยเทวดารวมทั้งผมด้วยนะอาศัยหมดทุกอย่างแล้วต่อไปไม่ช้าไม่นาน ถ้าพระได้เทวดาท่านช่วยไปแทนเข้าลงนรกก็ที่วัฏฐาสูงนี้นี่งานไม่หนัก ตัววาดมองเดินเข้าไปทางด้านเหนือเข้าไปที่พระเจ้า นั่งเหยขาโชว์เขาหน่อยๆนี่ก็มองข้างขวามือก็หันก็ไปถามว่าพี่ชายเป็นยามเลยท่านก็บอกว่าที่วัดเนี่ยเค้าให้ให้ผมเป็นยามครับผมอยู่ยามอยู่คนเดียวนอกนั้นเค้าไม่อยู่ยามเค้าอยู่ตามสบายก็ถามว่าทําไมไม่เค้าไม่อยู่ยามบ้างล่ะท่านก็ตอบว่ามันเป็น ถามท่านว่าทั้งหมดเทวดาชั้นจาตุมาราชที่เขตนี้มีเท่าไหร่ท่านบอกว่าเป็นพันๆคนก็ถามว่าอยู่ ท่านต่อว่ามีหน้าที่รักษาเขตเป็นรัศมีหลายสิบกิโลถามว่าเขตนี้ก็ชี้มือลง ไม่เห็นอะไรเห็นอะไรเห็นแผ่นดินถ้าจึงถามว่าพี่อ้วนเชียร์ดู มันเหลืองอร่ามคล้ายๆทอง 100% เต็มบริเวณ ถ้าจะขุดกันจริงๆแค่ มันเดิมทีเดียวเป็นทองแท่งๆท่านบอกก็มี 2 ส่วนเป็นทองแท่งใหญ่ๆมาจากเดิมก็ดีบางส่วนก็เป็นทองส่วนย่อยที่เค้าทําให้มาๆที่จะรักษา ก็ถามได้ว่าได้ทองตั้งใหญ่ เมื่อพ้นจากพระพุทธศาสนานี่ ท่านก็บอกว่าผมมีหน้าที่เพียงแค่เฝ้า นั่งอยู่นอนอยู่คิดเรื่องอะไรทําเรื่องอะไรผมรู้หมดถ้าจะถามว่าพี่อ้วนคนจะทราบ <c oughs> คนที่กําลังถ้าบอกว่าเรื่องเล็กทราบทุกอย่างถามอะไรถามได้เลยใครโกหกท่าน เพราะว่าท่านท้าวมหาราชทั้ง 4 อยู่ใกล้ท่านอยู่แล้วพระท้าวมหาราชเป็นก็เป็นนายผมท่านถามอะไรท่านบอกอยู่แล้วจะเพียงว่าทราบถึง ถ้าเรื่องอะไรถามก็บอกเรื่องอะไรไม่ถามก็ไม่บอกเพราะการลบของพระรามเพราะก็ญาติต่อไปว่า ก็เป็นอันว่าทองถ้ามีคนมาขุดทองแล้วทําพิธีต่างๆ ถามว่าวิธีของพี่อ้วนน่ะมีอะไรไงขออย่าตีหน้าให้หน้ามืดเทวดาฆ่าคน ผมมีหน้าที่เฝ้าผมก็ทําตามเดินผ่านไปผ่านมาไปวิอ้วนก็นั่งตรงนี้จะ อะไรแบบว่าผ่านไปพูดกันมาเสียเวลาต่อไปก็กลับเข้าที่กลับเข้าที่กับภพท่านธรรมมหาราชจ4 คือท้าววิรุณ 6 ท้าววิรุณปักและก็ท้าว ท่านถามกันว่าจะต้องการรู้อะไรอีกถามก็นั้นว่าจะต้องการรู้อะไรอีกก็บอกว่าต้องการ <c oughs> คำว่าเอาหมายว่าทำลายทรัพย์สินเขาแย่ง เป็นทองคําที่เขาฝ่ากันไว้อมรคถาและก็ไม่ใช่ทองคํา <c oughs> <c oughs> พระเจ้าจักรพรรดิก็ปกครองโลกโดยธรรมเวลาที่ใครเค้าไม่มีจะกินเค้าไม่จะใช้พระเจ้าจักรพรรดิก็สั่งขุนคลังจะไปหาเงินมาจะมาหาทอง จึงเกิดขึ้นมาคราวนี้ก็เป็นๆกว่าไม่ได้เค้าก็เทวดาจะให้เห็นเฉพาะจุดแผ่แค่พอสมควรว่าควรนําไปเท่าไหร่ ก็ถามท่านว่านอกจากยอดภูเขาเหล็กมีนี่ขุดก็ไม่ได้กันแต่ถามได้ <c oughs> ถ้าจะตอบว่าแร่ธาตุในจังหวัดอุทยานีมีเยอะแต่ดินแดนที่จะเพิ่งบอกท่านบอกก็บอกไม่ได้ก็อยากจะบอกประธานที่ตอนนี้เป็นหน้าที่คือเจ้าหน้าที่เขารู้กันเองอย่างแร่ <c oughs> ทะเลแกละอยู่ในเนี่ยมีเป็นหลายชั้นมีหลายชั้นด้วยกันชั้นบนชั้นล่างชั้น <c oughs> เย็นแรกคิดจะบอกไปๆจะไม่เป็นไรแต่บอกเป็นหน้าที่ของเขาของเราไปเรื่องของนิทานจริงไม่จริงใครก็ตัดสินกันไม่ได้คือ มีกลุ่มทองคําแต่ไม่มากถ้าทําแบบอุตสาหกรรมเป็นเป็นอะไรเนาะเป็นโรงงานซิกขุดน่ะเป็นเหมืองแบบนั้นก็พอได้แต่ถ้าว่าต้องอดทนแต่ คำว่า 2518 แต่ว่าที่บรรดาท่านยืน 2524 ไป 2524 ใน มองดูเวลาเลยแค่ 10-20 นาทีก็หมด